บทที่เกสบอ็ดได้โสรสยานเวลาผ่านไปอีกสองเดือนพระเจริญยังคงพำนักอยู่ที่คณะห้าวัดมหาธาตุ แล้วเรียนวิปัสสนากรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเจ้าคุณอุดมวิชายานรู้ว่าสิทธิ์รูปนี้จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้าทั้งจะเป็นกําลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาจึงพยายามสนับสนุนพระนุ่มให้มีประสบการณ์หลากหลายเป็นต้นว่า ให้ติดตามไปในิที่ต่างๆที่มีผู้นิมนต์ท่านไปสอบกรรมฐานหรือแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นคุกบางควางวัดปากน้ำหรือสถานที่อื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้พระเจริญเป็นคนฉลาดหลักแหลมได้ยินได้ฟังอะไรมา ก, ก็จะจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะเห็นว่า จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ได้มาหาท่านที่ห้องแจ้งให้ทราบว่าวันพระที่จะถึงนี้สมเด็จพระราชชนนีจ ะ, สะเสด็จมาเข้าวิปัสสนากรรมฐานและจะประทับอยู่ที่หอพระาธาตุเป็นเวลาเกื่งเดือนด้วยมีพระประสงค์จะปฏิบัติขั้นอุกฤกษพระองค์ทรงปฏิบัติมานานแล้วหรือครับ พระหนุ่มถามทรงมาปฏิบัติครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วประทับอยู่ที่หอพระธาตุเจ็ดวันเมื่อเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปะทุมฉันก็ได้รับนิมนต์ไปถวายการสอบอารมณ์หลายครั้งทรงปฏิบัติได้ดีมากทรงมีพระวิริยะอุสาหะเป็นเยี่ยมแม้จะทรงมีพระราชภารากิจมากมาย แต่ก็ทรงปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าพระสงฆ์บางรูปเสียอีกพระเจริญมีความรู้สึกว่าตัวท่านถูกว่าจึงยอมรับแต่โดยดีกระผมตั้งใจว่าจะอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระผมขอตั้งสัตยปฏิญาณต่อเจ้าคุณอาจารย์ว่ากระผมจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่ตีสี่ ไปจนถึงตีสองของอีกวันหนึ่งจะฉันเพียงมือเดียวและพักผ่อนจำวัดวันละสองชั่วโมงเท่านั้นท่านประนมมือขณะปฏิญาณดีแล้วถ้าเธอบรรลุญาณ16หระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ฉันจะอนุญาตให้เธอเข้าฟังถวายการสอบอารมณ์เช่นเดียวกับพระครูประกาศ ได้ยินดังนั้นพระหนุ่มแสนจะดีใจและตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าท่านจะต้องบรรลุญาณส6หให้จงได้วันโกนเวลาบ่ายสามโมงครึ่งขณะที่พระเจริญกำลังเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจและมีสติต่อเนื่องทุกอิริยาบถอยู่นั้นปัญญาก็ผุดขึ้นใจสอนใจตนเองว่า การปฏิบัติจะต้องไม่หวังผลจงมั่นใจว่าเมื่อเราทำเหตุดีไว้ผลก็ย่อมดีตามโดยไม่ต้องหวังการกระทําที่หวังผลเป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือมั่นไม่เป็นอิสระเราจะต้องปล่อยวางเสีย้ยเมื่อใจสอนใจดังนี้ปัญญาก็ทำลายสังโยตเบื้องต่ามีสักจยทิฏฐิวิจิกิจฌา และเซลพปตะปรามาตรให้ขาดสิ้นไปความเห็นว่าเป็นตัวตนความลังเลสงสยัยและความถือมั่นในศีลพรดไม่มีหลงเหลือในขันธสันดานจิตเป็นอิสระปลอดโปร่งจากสังโยชน์ทั้งสามจึงเกิดความสุขชนิดที่ไม่เคยสุขเชน่นนี้มาก่อนท่านรู้ว่าได้ข้ามพ้นจากภาวะปุุชน เข้าสู่ภาวะอริยบุคคลแล้วโซดาปฏิมิโสดาปฏิผลท่านเข้าถึงแล้วความปิติยินดีบังเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งที่ฟังเทศลำดับญาณได้ความปิติยินดีบังเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะฟังเทศลำดับญาณได้ ปีติหนอปีติหนอพระหนุ่มกำหนดรู้ในใจและในความปีติยินดีนั้นจิตของท่านก็น้อมไปนธรรมคุณหกประการที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงและนำมาเผยแผ่สแสดงแก่สัตว์โลกเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้เป็นความจริงแท้อีกทั้งงามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง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 เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูเชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์หรือท้าทายต่อการตรวจสอบเพราะเป็นของจริงและดีจริงโอปัญญิโกควรน้อมเข้ามาไว้ในใจหรือน้อมใจเข้าไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจหรือให้บรรลุถึงอย่างนั้นเป็นสิ่งที่นำผู้ปฏิบัติ ให้เข้าไปถึงที่หมายคือพระอิพานปจัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นวิสัยของวินยูชนที่จะพึงรู้ได้เป็นของเฉพาะตนต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้และรู้ได้ประจักษ์ ที่ในใจตนนี่เองโอ้การได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นเช่นนี้เองหนอะเราได้เห็นธรรมแล้วธรรมปรากฏชัดแก่ใจเราแล้วธรรมช่างวิเศษแท้หนาเราพ้นจากอบายภูมิเพราะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระนมรำพึงอย่างมีความสุขเป็นสุขที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วงระยะเวลาที่สงเด็จพระราชชนนีประทับอยู่ที่หอพระาธาตุเมื่อทรงปฏิบัติด้วยปัศนากรรมฐานสงเด็จพระบรมราชนีนาถเสด็จมาทรงเยี่ยมพระสัตสูสองครั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระสุนิสาพระอุดมวิชาญาณอนุญาตให้พระหนุ่มเข้าฟังถวาย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 ไปถวายการสอบอารมณ์ที่วังสะปทุมหลายครั้งสมเด็จพระราชช น, นีมีพระชนมายุ5 3พ0รษาทรงมีพระพารมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชวีงามผุดพองพระพักดูอ่อนวัยกว่าพระชนมายุจริงสักสิบปีนอกจากนั้นยังทรงพระปรีชาสามารถ ได้คุณอาจารย์ถามอะไรก็ส่งตอบได้อย่างฉะชานชัดถ้อยชัดคำทรงมีลีลาในการตอบไม่ซ้ำแบบใครภิกษุหนุ่มจากวัดพรหมบุรีรู้สึกว่าตัวท่านมีบุญที่ได้เข้าฟังถวายการสอบอารมณ์ในครั้งนี้ สมเด็จพระราชชนนีทรงปฏิบัติขั้นอุกฤษ์อยู่เจ็ดที่วาราตรีก็ทรงบรรลุญาณ16ทรงพระปรีชาสามารถเข้าผลสมบัติได้ถึงห้าชั่วโมงและเมื่อทรงออกจากผลสมบัติแล้วทรงกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งด้วยทรงละลึกในความกรุณาของท่านพระอุดมวิชาญาณ จึงจัดให้มีเทศลำดับยานถวายผู้เทศเป็นพระพม่าชื่ออาจารย์อัสสพะมีทูตจากสถานทูตพม่ามาแปลเป็นภาษาไทยเริ่มเทศเวลาสิบแปดนาฬิกาตรงพระเจริญจึงได้ฟังเทศลำดับยานเป็นครั้งแรกและจดบันทึกไว้อย่างละเอียด การเทศเป็นภาษาพมา่าทำให้ท่านจดได้ทันเพราะจดเฉพาะที่ทูดแปลเป็นภาษาไทยจาก18นาฬกาถึง24นาฬกาท่านจดได้สองเล่มสมุดไทยความที่เป็นคนละเอียดละอจึงจดหมดทุกถ้อยคำอาจารย์จะไอหรือแกแอมกี่ครั้งระหว่างที่เทศ ท่านก็จดบันทึกไว้กระทั่งอาจารย์เทศจบและกลับกุฏิสมเด็จพระราชชนนีกลับไปยังหอพระทาตอันเป็นที่ประทับและเจ้าคุณอาจารย์ลุกออกไปยังห้องของท่านแล้วพระนุ่มจึงเดินกลับห้องของท่านรู้สึกสบายอกสบายใจไม่ง่วงเหงาหานอนเลยสักนิดเมื่อไม่ง่วงท่านก็ปฏิบัติต่อ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 ไปยังห้องสุขาเพื่อปัสสาวะครั้นถึงท่านก็ปัสสาวะหากก็ไม่สามารถถ่ายเบาได้ทั้งอาการปวดก็ทวีความรุนแรงหนักขึ้นท่านกำหนดถ่ายเบาหนอถ่ายเบาหนอหลายครั้งก็ไม่สามารถทำให้ปัสสาวะออกมาได้ยืนกำหนดอยู่อย่างนั้นจนครบชั่วโมง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 ในนิมิตเป็นเรื่องราวที่ท่านก่อขึ้นในสมัยยังเรียนมัธยมที่สองภาพเด็กหนุ่มแขนขายาวเก้งก้างกำลังเรียนเดรัชานวิชาจากพระกรมนวิชาแกล้งคนให้ปัสสาวะไม่ออกพอได้วิชาก็นําไปทดลองกับพี่สาวคือนางสาวจําแรงซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลวงพี่แน่ใจนะครับ ว่าวิชานี้ใช้ได้ผลเด็กชายรุ่นหน่มถามพระเขมรวัยสามสิบเศษแน่ใจสิพวกลูกศิษย์ข้ามาเรียนแล้วนำไปใช้ได้ผลทุกรายโดยเฉพาะพวกที่มีศัตรูมันก็ไปทำให้ศัตรูตายหลายรายแล้วคนที่ถูกทำจะเยี่ยวไม่ออกสองวันกับสองคืนแล้วก็ต้องตายในวันที่สาม งั้นผมขอเรียนด้วยแต่หลวงพี่ต้องเก็บเป็นความลับนะจะให้ยายกับแม่ผมรู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นผมถูกเครียดหลังลายแน่ยายผมดุยังกับเสือแน่ตกลงข้าจะไม่บอกยายและแม่เองบอกพ่อเองคนเดียวไม่ได้นะครับหลวงพี่คืนบอกพ่อผมยิ่งแย่ใหญ่พ่อผมนะ่ะมือหนักกว่ายายและแม่หลายเท่า ผมคงตายแน่ๆหลวงพี่ต้องสัญญาก่อนนะครับว่าจะไม่บอกใครและผมจะถวายค่าครูหบาทเด็กหนุ่มติดสินบนพระเมรเงินหบาทต้องขโมยจากยายอีกตามเคยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเคยขโมยมาหลายครั้งหลายหนตัวเขาเป็นคนมีสมาธิ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 ผมจะพาไปเรื่องอะไรยายจะต้องไปถามให้เสียเวลาทำมาหากินเอาอย่างนี้เองเอาไปสิบาทก็แล้วกันแล้วยายก็ให้สิบบาทจริงๆเพราะเหตุนี้เขาจึงต้องใช้มิจฉาสมาธิขโมยเงินยายยายเอาเงินไปไว้ในหมอนธนบัตรใบละหนึ่งบาทถูกมัดเป็นฟ่อนอยู่ใต้หมอน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 และไปตลาดซื้อชุดลูกเสือพร้อมถุงน่องรองเท้าครบชุดในราคาหนึ่งรบาทเหลือ2ี่สบาทก็กินก๋วยเตี๋ยวและก็น้ำแข็งใสจนอิ่มแปร่ยายจ่ายเงิน30สบาทที่เหลือไว้ทําทุนเล่นโยนหลุมกับเพื่อนวันพรุ่งนี้คะกลับมาบ้านแล้วยายก็ยังไม่ตื่นจึงจัดการตักน้ำใส่ตุ่ม เพื่อให้คุ้มกับเงินร้อยยี่สิบบาทบ้านยายมีตุ่มน้ำยี่สิบใบบนเรือนสิบได้ถุนอีกสิบยายจะเกณฑ์ให้เขาตักน้ำใส่ให้เต็มอยู่เสมอวันนี้ตุ่มที่อยู่บนบ้านพร่องไปเจ็ดใบเขาจึงจัดการตักมาใส่จนเต็มพอตักน้ำเต็มตุ่มยายก็ตื่นพอดีที่รู้ว่าตื่นเพราะเขาถูกเรียกให้ไปหา เองขโมยเงินยายใช่ไหมวอนนี้มันยุบไปตั้งครึ่งตื่นปุ๊บยายก็ตรวจสมบัติปับ๊บผมเปล่าขโมยยายลืมมัง้งเอาไปใช้ที่อื่นแล้วมาโทษผมคนอย่างยายไม่เคยลืมถึงจะแก่แต่ความจำก็ยังดีเองบอกมานะว่ารักไปเท่าไรผมเปล่าลัก เราขโมยไม่เชื่อให้ฟ้าผ่ายั้งคำว่าตายไว้ทันเออเอ็งหัดสาบานเขา้าวันหนึ่งจะต้องถูกฟ้าผ่าแน่ต่อให้ลงไปซ่อนในตุ่มฟ้าก็ยังผ่าคำพูดของยายทำให้เด็กหนุ่มเสียวไปถึงขั้วหัวใจเป็นอันว่าเขาได้วิชาทำให้คนปัสสาวะไม่ออก มาจากพระครมรโดยจ่ายค่า ย, ยกครูไปหกบาทแล้วก็จัดการลองวิชาบังเอิญวันนั้นที่ป่าช้าเขามีการเผาผีเป็นผีผู้หญิงผูกคอตายเหมือนจะเป็นใจให้เขาได้ลองวิชาสิบแปดนาฬิกาตรงเขาจึงไปที่ป่าชา้าซับเปเลอกลับบ้านไปแล้วคงปล่อยให้ศพไหม้ไปตามลำพัง นุมเจริญไปถึงก็เอาผ้ายันไปวางไว้ที่มุมกองฟอนทั้งสี่มุมแล้วใช้คาถาเรียกวิญญาณผีเสร็จแล้วก็ใช้มีดโต้ที่ติดมาฟันที่ไม้ทิ่มผีมาหนึ่งซอกไม้ทิ่มผีคือไม้ไผ่ยาวประมาณสองซอกที่สับปปเลสเขาใช้เวลาเผาผีคือเมื่อเผาผีจะลุกขึ้นนั่ง บางทีก็ยิ้มแยกเคียวให้อีกด้วยแต่สัปเปรเรอเขาไม่กลัวเพราะรู้ว่านั่นเป็นเพียงซากศพเขาก็จะเอาไม้ทิ่มผีทิ่มไปที่ท้องผีให้ท้องแตกไส้ทะลักออกมาบางคนก็เรียกว่าไม้กระทุ้งผีเพราะใช้กระทุ้งให้ท้องแตกหากไม่ทำเช่นนี้ผีก็จะไม่ไม่หมด ตัดกระบอกมาได้แล้วเด็กหนุ่มจึงกลับบ้านซ่อนมันไว้ใต้ถุนไม่ให้ยายเห็นขั้นตอนต่อไปค่อยทำในวันรุ่งขึ้นเป้าหมายคือนางสาวจำแลงพี่สาวของเขาหมั่นใ้มานานแล้วยายผมขอไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะครับจะไปกินข้าวเย็นที่นั่นยายจะไปด้วยก็ได้เองไปคนเดียวเธอ ยายไม่ไปด้วยรอกแล้วรีบกลับมาละ่ะอย่าให้มืดค่าครับแต่ถึงจะมืดยังไงผมก็ต้องกลับมานอนบ้านยายไม่เห็นหน้ายายนอนไม่หลับล้านชายยาวไม่เห็นหน้ายายหรือไม่เห็นเงินยายกันแน่พูดให้มันตรงไปตรงมาสิโทษยายเห็นผมเป็นคนงกไปได้ ก็หรือว่าเองไม่งกล่ะยายย้อนทั้งงกก็ติดมาจากยายนั่นแหละหลานชายย้อนบ้างจะรีบไปก็ไปสักทีอย่ามายั่วยายอยู่เลยเที่ยงไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะหลานชายไม่วายยั่วแล้วจึงเดินตึงๆลงเรือนไปเดินให้มันเบาๆหน่อยนี่ดีนะ ที่เองเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็รับรองหาผัวไม่ได้ใครเขาจะเอานังขยมธรณีไปทำลูกทำเมียผมเกิดเป็นผู้ชายก็ดีแล้วไงล่ะหนุ่มน้อยตะโกนขึ้นมา